ผู้ทูวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัสนสีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 รายการที่จะทำให้ท่านได้ฝึกปฏิบัติเสมือนกับว่าได้ไปร่วมในการเข้าคอร์สฝึกปฏิบัติกันจริงๆในรายการตั้งแต่ตอนต้นของรายการเมื่อได้พบกับพระมหาภัยบูญอภิปุณโญซึ่งท่านอยู่ที่วัดป่าดอนายโศกุดรธานี สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมมีการกเรียนร้นเป็นประจำทุกเดือนนะคะในวันนี้เราก็มีคำถามอื่นๆซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายเนี่ยหลายคำถามด้วยกันโดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเดี๋ยวเราก็ไปกราบน้ัมศการท่านไพบู์กันในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันนี้เลยนะคะกราบน้ัสการกัทนคะ่ะเจ บ, บ้านค่ะวันอาสารหบูชาใช่ ปฏิธรรมวันนี้แล้วได้บุญเยอะขึ้นไหมคะในขณะนั้นคะก็คือถ้าเราระลึกถึงเหตุการณ์ในวันสาธารหบูชาแล้วก็บูชาในการกระทําด้วยการกระทําของเราอันนี้คือจิตใจเราก็สูงขึ้นนะคือปรารบเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทําคือการแสดงธรรมาจักเอาไว้ค่ะนะีโดยการก็เราเริ่มตั้งสติขึ้น ต, ตั้งสติขึ้นเราเครื่องมือที่เราใช้ก็คือใช้ลมหายใจพระพุทธเจ้าเองตอนที่อยู่ที่ใต้ต้นไทร เป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆก็ระลึกถึงเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่นี่แหละสติปัฏฐานทั้ง4ี่ ท, 4ที่จะเป็นก็เรื่องมือที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อระลึกถึงเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4ีแล้วก็ดํำริหาผู้ที่จะแสดงธรรมเทศนาให้ฟังเมื่อรู้ว่าปัญจับวกิกีเป็นผู้ที่มีทุลีนในดวงตาแต่น้อยก็ไปหาปัญจับวกิกีเพื่อที่จะแสดงธรรม เวลาที่เราตั้งสติขึ้นเราควรจะใช้ลมหายใจของเราโดยที่ไม่ตามลมเพื่อที่จะให้จิตของเราเป็นอารมณ์อันเดียวเมื่อจิตของเราเป็นอารมณ์อันเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกมีสติตั้งไว้อยู่อย่างนี้เรามาพิจารณาถึงเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้ทั้งชีวิตของพระองค์นั่นคือเรื่องของอริย ส, สัจสอริยสัจสีคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็เรื่องทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ในขณะที่เรามาสังเกตดูลมหายใจของเรานี้สติตั้งขึ้นทันทีสติที่ตั้งขึ้นนี้นี่แหละก็เรียกว่าเป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ในขณะที่เราตั้งสติขึ้นดูลมหายใจของเราไม่ต้องตามลมเข้าลมออกแต่เข้าก็รู้ออกก็รู้อยู่นะที่ทตําแหน่งเดียวคือบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมปัตของลมหายใจได้ ในขณะที่เราตั้งสติอยู่อย่างนี้กิเลสตัณหาอาวิชชามันก็จะถูกระ ง, งับลงระงับลงระงับลงด้วยอกุศลธรรมใหม่ไม่เกิดขึ้นระ ง, งับลงด้วยอกุศลธรรมที่มันมีอยู่มันก็ค่อยออกไปเล่าออกไประ ง, งับลงด้วยความที่กุศลธรรมที่ยังไม่มีก็มีมากขึ้นที่มีอยู่แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอันเป็นกําลังของสติที่เราตั้งขึ้นเอาไวา้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นมัคเป็นมัค แล้วก็ทำให้ตัณหาคือเหตุของความทุกเนี่ยมีความลดลงในขณะที่เราตั้งสติขึ้นไว้อยู่อย่างนี้ถ้ามีภาษาใดๆมากระทบแน่นอนว่าภาษานี้อาจจะเป็นภาษาที่เป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่ความสุขบ้างในขณะที่เรามีสติตั้งอยู่อย่างนี้มีภาษามากระทบแล้วเราจะสามารถที่จะเห็นเจ้าภาษาต่างๆนั้นตามที่เป็นจริงได้มีความเข้าใจว่า สุขทุกข์มันก็เป็นธรรมดามันเป็นเรื่องของโลกที่เกิดขึ้นดับไปได้เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุตามปัจจัยความเข้าใจในเรื่องของปัจจัเรื่องของเวทนาตรงนี้คือความเข้าใจในเรื่องของกองทุกข์ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างนี้แหละจะทําสิ่งที่เป็นนิโรธคือความดับไม่เหลือของตนาใหแจงได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาดูลมหายใจของเราอย่างเดียวนี้คือเราทําความเข้าใจในเรื่องอริยสัจ4ีอยู่แล้วเรื่องอริยสัจสีนี้ เป็นคำสอนที่มีในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเรามาตั้งสติไว้ระลึกถึงความดีความงามไม่ว่าจะดูจากแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งแต่เราก็สามารถที่จะตั้งสติอย่างเนี้ยไว้ได้ตลอดทั้งวันอันที่เป็นการดีเีริญบ้านค่ะสาธุค่ะท่นฝั่งค้าและนั่นล่ะนะคะเป็นการนําท่านทั้งหลายปฏิบัติด้วยการให้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องกับท่านทั้งหลายไปด้วยซึ่งดิฉันก็ อยากจะกล่าวเบียดถามท่านเหมือนกันนะคะอ่าท่านบอกว่าไม่ต้องตามลมใช่อันนั้นถือว่าส ต, ติเนี่ยจะตั้งขึ้นแล้วแต่<ช>ถ้าตามลมไปแล้วมันเป็นยังไงละคะคือสาหรับถ้าตามลมเนี่ยมันจิตมันจะไม่นิ่งผิดเลยใช่ไหมคะคุถึงคือมันแล้วแต่ว่าคนในลักษณะไหนคือถ้าไม่ยังไม่เคยทามนเลยแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วจิตแบบไม่ไม่ได้เลยคือตั้งอยู่กับลมนิ่งๆไม่ได้เอาคุณตามลมไปก่อน ตามลมเนี่ยหมายความว่าอย่าน้อยให้มันมีจังหวะจากโคนใช่ไหมตามลมหายใจแล้วก็ต้องทํำลมหายใจคือไม่ทําทําจิตของเราเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไม่ตามลมคะ่ะคือคือถ้าจิตมันวันวายมากวิ่งมากเอาเงินให้มันวิ่งไปตามลมก่อนแล้วก็จับให้มันนิ่งโดยที่ไม่ต้องตามลมค่ะแต่ถ้าปกติแล้วเราเราจะต้องหลักการคือไม่ต้องตามลมอ๋อถ้าจะให้บรรลุผลหรือว่าเกิดความเจริญก้าวหน้าในการเจริญสติ เราต้องมีสติเพื่อที่จะรู้ว่าลมผ่านเข้าออกเท่านั้นใช่เท่านั้นจึง ต, ตรงเนี้ยค่ะมาเอ า, เอาจากไหนก็คือเป็นพุทธพจน์นั่นเองที่เปรียบเทียบไว้ได้หลายที่เช่นยามเช่นเดียวกับนายทวารผู้เฝ้าประตูเนี่ยนายทวารเขาไม่ได้ตามคนเข้าไม่ได้ตามคนออกเขาจะเฝ้าอยู่บริเวณประตูอันนี้คือข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองพระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับนายช่างกลึงเวลาที่เขากลึงชิ้นงานแล้วเขาชักเชือกกลึงยาวชักเชือกกลึงสั้น เขาไม่ได้ดูที่เชือกเกลี่ยว่ายาวหรือสั้นแต่เขาจะดูที่จุดสัมผัสระหว่างใบมีดกับชิ้นงานเนี่ยมันกระทบกันดูตรงนั้นเช่นเช่นเดียวกันนะก็คือบางทีลมหายใจของเราเรากินข้าวเสร็จใหม่ๆหม่ลมหายใจมันเร็วมันสั้นบันทีในขณะที่ถ้าคุณเพิ่งตื่นนอนใหม่ใหม่ลมหายใจมันจะห่างมันจะยาวแต่ว่าเราไม่ต้องตามลมสั้นหรือลมยาวไงไม่ว่าจะลมแบบไหนเราจะต้องมีสติได้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเฉพาะหน้าในภายในนี่คือหลักการค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นพุทธพจน์นะคะเมื่อได้ยกตัวอย่างอุปมาอย่างเช่นนายทวารประตูหรือว่าช่างกลึงก็จะทําให้เราเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่เพราะว่าบางทีเรื่องลมหายใจเนื่องจากเป็นกายก็จริงแต่เหมือนเป็นนามธรรมามากๆเรามองไม่เห็นลมก็บางคนบอกยากมากการที่จะนั่งสมาธิแล้วมีสติในการรู้ลมหายใจเนี่ย บางคนถึงขนาดบอกว่านั่งมาเป็นเวลาหลายปีไม่เคยรู้ลมหายใจเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะค่ะค่ะถ้าจรยงคะทีนี้เราก็ค่อยๆทาความเข้าใจกันไปท่านฟังก็คงจะเข้าใจหลักการแล้วดิฉันสงสัยอีกอย่างหนึ่งที่พยายามจะคิดว่าคนทางบ้านจะสงสัยอะไรนะคะทางบ้านว่าถ้าเช่นนั้นเช่นที่ท่านบอกว่าสมมติตื่นนอนใหม่ๆช่วงของลมหายใจยาวเนี่ย มันจะไม่เหมือนตอนทานข้าวถ้าสมมติว่าถ้าลมหายใจสั้นใช่ไหมคะ่หน้าที่จะสัมผัสลมหายใจแบบไม่ต้องตกใจว่าเอ๊อะเป็นอย่างไรแต่ทีนี้พอในลักษณะที่มีช่วงจังหวะของลมหายใจที่หายออกไปเนะะ่ยค่ะเราเฝ้าเราเป็นนายทวารประตูเนี่ยเราเฝ้ารู้ลมหายใจอยู่ส่วนที่เรา ส่วนที่เข้าหายไปเราทํำยังไงคะเราเราจะอยู่ตรงไหนโอเคก็คือเหมือนกับยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูนะแล้วไม่มีคนเข้าไม่มีคนออกยามเขาก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเหีนยวมก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสของลหมหายใจใช่ไหมเราก็จิตเราก็ตั้งอยู่ที่เดิมนั่นแหละตำแหน่งนี้พระพุทาใช้คำว่าปริมุขขังคือตั้งสติไว้เฉพาะหน้าคํานี้นะคุณโยมติ๋วไม่ใช่เฉพาะใช้ในอนาปนานสติสูตรตท่นั้นนะ ใช้ <คะ S 2> ในที่ที่อื่นๆด้วยเช่นว่ากินข้าวเสร็จแล้วเอากลับมานั่งคู้บลาลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าละนิวร์แล้วก็พูดเรื่องหมายะละโดยไม่ได้พูดถึงอนาปนานสติคํานี้จะมีอยู่ในลักษณะของการตั้งสติขึ้นอยู่ในหลายๆที่ทีเดียวเรียก ว, ว่าการดํารงสติไว้เฉพาะหน้าก็เท่ากั บ, บว่าท่านกําลังจะบอกว่าเออเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องถ้าหากว่า เราเลือกการเจริญอาณาปานสติเป็นการฝึกปฏิบัติการตั้งสติใช่ไหมคะใช่ใช่แล้ววิธีนี้อาจามาต้องยืนยันที่คุณโยมติบอกว่าโอ้ฉันทำไม่ได้บางคนทําไม่ได้อย่างเงี้ยคือเพราะว่าเขาสร้างเหตุยังไม่ถูกต้องคือบางทีฝึกมาสิบปี10ปีโอ้ฉันไม่เห็นก็สร้างเหตุถูกต้องหรือเปล่าเช่นกินมากหรือเปล่าอยู่เซนาสนะสงัดไหมฟังธรรมะอยู่เรื่อยหรือเปล่ามีการสํารวจอินทรีย์ไม่ดูหนังดูละครฟังเพลงอันนี้มันจะช่วยให้ได้ อ่ามันต้องอยู่ที่ดูที่เหตุปัจจัยของเขาว่าเขาทําอะไรมาคขารักษาศีลดีไหมอันนี้ก็มีหลายอย่างเกี่ยวข้องกันอยู่ค่ะมีคําถามที่ท่านเป็นส่งมานะคะเผู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติะค่ะอืมซึ่งก็น่าจะบอกว่าเป็นการปฏิบัติในช่วงต้นๆอยู่ในสัมมาสมาธิถ้าเรียนจําไม่ผิดในการพูดถึงฌานต่างๆถูกไหมคะเรีบ ท่านก็ถามมาว่าการปฏิบัติสมาธิที่กล่าวถึงยานชาญอยากทราบว่าการกําหนดลมหายใจอย่างเดียวเมื่อเข้าถึงช่วงที่เรียกว่าปฐมฌานนั้นช่วงเวลานั้นจิตอยู่ที่ลมหายใจหรือพิจารณาไปด้วยเนื่องจากว่ามีคําว่าวิตกวิจารค่ะโอเคอ น, นี่เราจึงต้องทําความเข้าใจกันว่าถ้าถ้าคนเข้าใจว่าจิตเนี่ยเป็นดวงๆเหมือนหลอดไฟแล้วก็ดับดับดับเกิดเกิดเกิดดับดับเกิดเกิด แล้วก็เป็นได้ทีละดวงละดวงมีดวงเดียวอย่างเงี้ยนะเขาเขาจะงงเลยกับนี้เพราะว่าเขาก็จะงงว่าเออแล้วแล้วฉันจะอยู่ที่ลมหรือว่าจะไปอยู่ที่คิดพิจารณาวิตรวิจารณ์คือมันจะงงไปเลยแต่เพราะว่าเพราะว่าด้วยโมเดลนั้นลักษณะความเข้าใจานั้นจะไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้แต่ทำความเข้าใจใหม่ทำความเข้าใจใหม่นะทําความเข้าใจใหม่ว่าเอาง่ายๆนี่คือธรรมชาติของตัวคนธรรมชาติของตัวเรานะเวลาที่เราดูหนัง เราก็ได้ยินเสียงไปด้วยตาเราเห็นรูปด้วยนะและยินเสียงบลคคลที่เขาเพลิงนั่พูดคุยอะไกันสมองเราก็นึกตามไปด้วยว่าตอนนี้เรื่องเป็นยังไงบานทีปากเราก็กินป๊อปคอร์นอยู่ดูดน้ําอยู่นะบางทีก็รู้สึกหนาวไปด้วยพร้อมๆกันนี่คืออยัยตนานะที่เกิดขึ้นแตนะมาทางต า, งางหูจมูกลิ้นกาย5อย่างแล้วในขณะที่ช่องทางนี้ เ, เขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่มาภายนอก เสียงรูปพวกนี้มาไปนอกผ่านทางตาทางหูข้อนี้แล้วก็เข้าสู่ใจนะครับว่าใจนี้หมายถึงว่าช่องทางที่มันเข้ามานะแล้วผู้ที่เข้าไปรับรู้เนี่ยก็คือจิตคุณโยอมติดเข้าใจนะจิตที่ไปทําหน้าที่รับรู้ตรงนี้เขาเรียกวิญญาณไปทําหน้าที่รับรู้ทางตาไปทําหน้าที่รับรู้เสียงผ่านทางหูไปทำหน้าที่รับรู้รสผ่านทางลิ้นเป็นต้นแล้วจิตเนี่ยมันคือจิตดวงเดียวนี่แหละที่เวลามันไปทําหน้าที่เนี่ยสรรพนาม ลักษณะนามที่เขาเรียกในการที่มันไปทําหน้าที่วิญญาณจิตนะจิตนะไปทําหน้าที่วิญญาณนะจิตไปที่ไปทําหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้เนี่ยลักษณะนามที่เขาเรียกก็เรียกคำว่าดวงแต่มันคืออันเดียวกันที่ไปทําหน้าที่ต่างกันเนีเพราะฉะนั้นในคําตอบของคําถามนี้ก็คือว่าก็พิจารณาไปด้วยนี่แหละรู้ลมหายใจไปด้วยในขณะที่พูดอย่างนี้เราก็รู้ลมหายใจไปด้วยได้ในขณะที่เราทํางานเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยได้ เพราะเพราะมันทําไปด้วยกันได้มันทําคนละหน้าที่กันอันนี้อาจารมาอธิบายอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในคําถามที่เขาถามว่าจิตอยู่ที่ลมหายใจหรือพิจารณาไปด้วยก็คือทําทั้งสองอย่างได้เพราะมันคนละอายตนากันเข้าใจนะคือวิถีวิชาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมโนนะคือใชอ้ใช้หลักหลักเช่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและมโนเนี่ยเป็นหลักเพื่ออะไร เพื่อให้เสียงเข้าทางหูหูเป็นหลักนะให้เสียงเป็นอายตนะภายนอกเข้ามาแล้วจิตที่ไปทําหน้าที่รับรู้ทางหูก็คือโสตวิญญาณในที่นี้เรากําลังพูดถึงว่าลมหายใจคือกายสัมผัสทางกายถูกไหมเป็นผัสสะนะมาทางกายะสัมผัสกายะสัมผัสนี่เป็นช่องทางนะจิตเนี่ยไปทําหน้าที่รับรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าโผฏฐพาวิญญาณโผฏฐพาวิญญาณเกิดขึ้นแล้วนะในขณะเดีวยวกัน มาวิศววิชาเนี่ยคือธรรมารมธรรมารมบาลทางช่องทางไหนคือช่องทางมนโนอาล้พูดที่เข้าไปรับรู้วิศววิชานั้นคืออะไรก็คือมนโนวิญญาณมนโนวิญญาณกับโภทะภาพวิญญาณมันคนละอันกันทําหน้าที่คนละอย่างแต่มาจากไหนก็จิตดวงเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นทำหน้าที่คนละอิหยตนะแล้วก็มีลักษณะสังสมสังสมนี่คือหมายความว่าเป็นเป็นธาตุนะจิเป็นาธนะนาตุที่มีลักษณะสังสมจิเนี่ยเป็นเป็นศัพท์ภาษาบาลี คำว่าจิตนี่นะจอาจารย์สลีต่อเต่าเนี่ยมาจากธาตุของรากภาษาภาษาเนี่ยเขาจะมีรากศัพท์นะว่าจิตธาตุก็คือมีลักษณะการสังสมการสังสมเนี่ยทำให้เรามีกรรมเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้คุณโยมติ๋วอย่างเช่นแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําเจ้าพระยานะเราบอกว่าเรายืนอยู่บนเราว่าอยู่ในแม่น้ําเรายืนอยู่บนสะพานแต่ขณะที่เราจุ่มมือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยืนอยู่บนสะพานนะ จุมมือลงไปแม่น้ําเจ้าพยาเราชักมือขึ้นแล้วเราก็จุมมือลงไปครั้งที่สองถามว่าคุณจุ่มมือลงไปครั้งแรกกับจุมมือลงไปครั้งที่สองเนี่ยก็คือน้อนนําเจ้าพยาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าท่านน้ำนะมันเป็นคนละน้ํากันนะเพราะน้ำมันไหลไปเรื่อยๆถูกไหมน้ําที่ <S <S โ, โดนมือเราครั้งแรกกับน้ําที่โดนมือเราครั้งที่สองเนี่ยคนละน้ํากันนะ <S <S <โ Xiaomi>คนละน้ําคนละอัตอมคนละโมลเลยคุณกันแต่ว่าเป็นแม่น้ําเจ้าพยาเหมือนกันเข้าใจนะอันนี้เข้าใจนะค่ะ เช่นเดียว ก, กันกับลักษณะของจิตแต่ว่ามันเกิดขึ้นดับไปมันก็ไหลไปเรื่อยๆตามนี้แหละมันมีความต่อเนื่องแต่ว่ามันเป็นคนละดวงกันคือถ้าเทคนิคแล้วเนี่ยเป็นคนละดวงกันเอาท่านโดยทางเทคนิคเอาแค่เซลล์ของเราในร่างกายอาจจะเป็นเซลล์หัวใจเซลล์ปอดหรือเซลล์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีการเปลี่ยนตัวตั้งแต่บางทีบางเซลล์เนี่ยเปลี่ยนตัวทุก6เดือนบางเซลล์เนี่ยเปลี่ยนตัวทุกสองปี นวเปลี่ยนต้วนวหม่ยคว่าตัวเก่าจะตายแล้วมันก็จะทำก๊อปปี้เดิมของมันมาเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยนะแล้วก็ไปเรื่อยๆเราจึงแก่ขึ้ น, นเราจึงโตขึ้นก็เพราะวะ่ลักษณะการกระทําตรงนี้เช่นในการจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นมันจึงเกิดขึ้นดับไปลักษณะที่พระพุทธเจ้าอธิบายก็คือมีความเกิดขึ้นมีความดับไปแต่ว่ามันต่อเนื่องกันค่ะท่ะันจําพุทธพจน์ผิดหรือเปล่าคะเหมือนกับว่าท่านจะพูดเป็นลักษณะนามของจิต ด, ด้วยซ้ําว่า ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปใช่ทราบ3ามคำที่เราจะต้องทําความเข้าใจก่อนในที่นี้ที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาคือคําว่าจิตนะจิตนี่ระวังไว้ด้านซ้ายเลยนะนะมโนมโนระวังไว้ทางด้านขวาวิญญาณนี่ระวังไว้ตรงกลางโอเคนะจิตอยู่ด้านซ้ายวิญญาณอยู่ตรงกลางมโนอยู่ทางขวาโอเคนะเราเรียงลำดับตามนี้จิตวิญญาณมโนกันทีนี้ว่าจิตเนี่ยที่มาพูดเมื่อสักครู่ว่า คือจิตของเรานั่นเองจิตที่เราไปามีลักษณะของกา ร, รเกิดขึ้นทำไมเรานึกถึงอดีตอะไรต่างๆนี่คือจิตและจิตที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้เขาเรียกว่าวิญญาณนี่คือตัวที่วว oui. 2วิญญาณนี่คือตัวที่ว oui. 2วิญญาณเนี่ยมันจะไปรับรู้ผ่านช่องทางอะไรบ้างเอาเริ่มจากหูของเราก่อนนั้นจิตนะอยู่ที่นั่นซ้ายจะมาหน้าที่ทำทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณอยู่ตรงกลางแล้วช่องทางที่มันจะออกไปได้เน<ว>ี่ยก็คือทางหูหูนี่คืออยู่ทางขวา หูอยู่ขวาสุดนะแล้วถัดไปจากหูอีกก็จะเป็นเสียงโอเคนะถ้าเราไล่จากซ้ายไปขวาจิตซ้ายมาทำหน้าที่วิญญาณผ่านทางหูแล้วไปรับรู้เสียงอยู่ขวามือสุดเสียงอยู่ขวามือสุดโอเคนะทีนี้เราเราไล่ลงมาเสียงก็มีตาด้วยใช่จิตก็ไปทำหน้าที่วิญญาณนี่เราพิศอ่ะนะผ่านทางตาในอะไรในรูปอยู่ขวามือสุดโอเคนะเช่นเดียวกัน จิตอยู่ซ้ายมือสุดนะก็ประจหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้ผ่านทางลิ้นรับรู้อะไรรับรู้รสอยู่ทางขวา ม, มือสุดโอเคเช่นเดียวกันกับมโนนี่แหละจิตนะจิตประจหน้าที่วิญญาณวิญญาณในการรับรู้รับรู้ผ่านทางมโนในอะไรในธรรมรมธรรมรมอยู่ขวา ม, มือสุดเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและมโนอันนี้เป็นอันเดียวกันเป็นเลเวลเดียวกัน ขวามือสุดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสกระภะและธรรมารมถัดมาซ้ายมือสุดเลยซ้ายมือสุดคือจิตถนะัดมาขวางขวาก็เป็นวิญญาณเพะะื่อมาใช้ในการรับรู้นะรับรู้แต่ละอย่างก็จะมีชื่อเรียกกันไปทีนี้ว่าที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่ามันใช้คนละหน้าที่กัน3คนํคนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใ น, ในคำถามที่เขาถามถึงว่า จิตของเราเรารู้ลมไปด้วยได้เราพิจรารณาไปด้วยได้เพราะว่าการทำหน้าที่มันคนละแบบผ่านทางช่องทางคนละอันนะพูดง่ายๆอย่างนี้คือที่ท่านพระอนุเปรียบเทียบไว้ก็คือเป็นบัวคนละตัวค่ะงั้นในส่วนของการที่ได้กราบเรียนถามท่านถึงคุณลักษณะว่าจิตมโนวิ ญ, ญญาณเหมือนกันหรือไม่ถ้ามาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าตามพุทธพจน์แล้วไม่ได้เหมือนกันถูกไหมคะใช่ถูกตอ้องไม่เหมือนกันแต่ว่า จะมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันก็คือไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเป็นจิตอยู่อย่างนั้นเป็นมโนอยู่อย่างนั้นเป็นวิญญาณอยู่อย่างนั้นแต่ว่าจะเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับเกิดต ล, ลอดเวลานะคะแต่ส่วนคำถามหมายความว่าท่านกำลังจะอธิบายว่าในขณะที่เราดูลมหายใจเนี่ยเราพิจารณาวิตกวิจารไปด้วยได้เพราะว่า เราไม่ได้ไปฝืนให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในขณะเดียวกันอยู่แล้วถูก ต, ต้องมันเป็นการทรหน้าที่คนละแบบอยู่แล้วนะคะแล้วก็หากเราจเจริญสติมากขึ้นมีความละเอียดในการที่มีสติมากขึ้นพัฒนาการของการที่วิตวิจาร์จะหายไปนะก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติถูกไหมคะอันนี้มันก็จะระงับลงระงับลงนะคะค่ะสาธุ ค, ค่ ะ, ะทีนี้ คำถามทั่วไปของคุณท็อฟฟี่คุณเออท็อฟฟี่แพรวนะคะขอเรียนถามสองข้อข้อแรกคือการทําบุญกับการให้ทานเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะโอเคบุญเนี่ยคือชื่อของความสุขบุญเนี่ยเป็นบุตรผลเลยนะบระพุทธเจ้าบอกว่าบุญคือชื่อของความสุขอันนี้คือเป็นบุตรผลแล้ว ค, ความสุขที่จะเกิดขึ้นจากใจของเราได้เนี่ยมีด้วยกิริยาคือการกระทําอยู่ทั้งหมด10อย่างพระพุทธเจ้าใช้กำว่าบุญยักกิริยาวัตถุ คือ <Okay. S 1> เรื่องแห่งการกระทําที่จะทำให้เกิดบุญคือความสุขได้มีอยู่สิ <Okay. S 1> อย่างด้วยกันสิบอย่างแยกเป็น3ส่วนคือกายวาจาหรือใจกายวาจาหรือใจทางกายแล้วก็มีเรื่องของการให้ทานถ้าเราจะพูดกันกว้างๆทางาาวาจาก็คือสัมมาวาจาทางใจก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมการที่คิดดีพวกนี้แตทางกาย <Okay. S 1> นอกจากเรื่องการให้ทานแล้วยังมีเรื่องของศีลด้วยค <Okay. S 1> ่ะคือดิฉันเข้าใจว่าถ้าท่านสรุปว่าทางกาย ก็คือการให้ทานเนี่ยในศีลข้อหนึ่งสองสามเราถือว่าก็เป็นทานด้วยถูกไหมคะเป็นมหาทานเป็นมหาทานศีลข้อที่หนึ่งเป็นอภัยทานอพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมหาทานอ๋อเป็นมหาทานคือสรุปแล้วก็คือเป็นเอาอภัยทานอเวรทานอภียาปิชาทานถูกต้องถูกต้องแล้วก็เป็นมหาทานด้วยมีความหมายเหมือนกันดิฉันไม่ชอบถามละเอียดซึ่งอาจจะทําให้งงแต่ว่าก็สงสัยกันะคะคําว่ามหาทานเนี่ยหมายความว่า รวมเอาอภัยท า, านอเวรท า, านอัพยาประชาทานคือการไม่เบียดเบียนอะไรด้วยใช่ใช่่แล้วก็ยังรวมถึงจุดที่ว่าเรามีการให้การสละออกแล้วคือมหานี่คือยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นแต่ก็คือเรื่องของสิ่งคือให้ชีวิตนั่นเองท่านค ะ, ะถ้าอย่างนั้นในส่วนบุญญากริยาวัตถทุที่ท่านพูดเนี่ยกับเรื่องของกุศ ล, ลกรรมเหมือนกันไหมคะ ใช่ใช่เหมือนกันมันมีกุลกุศลกรรมรบท10บใช่ใช่ถูกต้องอันนี้ก็คือในพระสูตรเดินๆก็จะใช้เรื่องของกุศลกรรมบท10แล้วก็อธิบายโดยในยักคล้ายๆกับบุญยักิริยาวัตถุสิบเหมือนกันค่ะงั้นถ้าสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านสรุปเป็น10ข้ อ, เ, อเลยนะคะหนึ่งสสามนี่ค่ะใช่3าข้อแรกในเรื่องของการก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รประพฤติผิดในกามค่ะอันนี้คือ3ามข้อแรกสี่ข้อถัดมาเป็นเรื่องของวาจา ก็คือไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคาหยาบไม่พูดโกหกไม่พูดเพอเจอรเข้าไปละค่ะเจ็ดแล้วนะ 7, ลอีก3าข้อสุดท้ายก็คือไม่มีการเพ่งเลงไม่เพ่งเล็งว่าทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราไม่มีความพยาบาทอาฆาตคิดบังร้ายแล้วก็สุดท้ายคือมีสัมมาทิฏฐนะิคํบบาว่าสัมมาทิฏฐินี้ก็คือมี2ส่วนส่วนที่เกี่ยวกับอริยสัจสีหนึ่งกับส่วนที่เกี่ยวกับทางด้านโลกเรื่องของการให้ทานเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ อ, อยู่เรื่องของจิตใจที่ เวลาเราสละให้ออกไปแล้วทำอย่างถูกต้องก็คือคลายความตรณีอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่จะเกิดขึ้นค่ะข้อที่สองนะคะดิฉันเคยไปปฏิบัติธรรมมาแล้วสามคืนนี่หมายถึงคุณฟ้าใสค่ะแต่ระยะหลังไม่มีโอกาสอยากทราบว่าหากเราทำสมาธิฝึกทำจิตใจให้สงบโดยใช้หลักการกำหนดลมหายใจหมั่นทำบุญใส่บาสมาเสมอให้ทานกับสุนัทุกวันเพราะที่บ้านเลี้ยงอยู่แล้ว ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนคือศีลห้าดิฉันจะมีโอกาสไม่ต้องวนเวียนกลับมาเกิดอีกไหมคะจริงๆเรารักษาศีลห้าแล้วก็มีการให้ทานอย่างนี้แล้วถ้าจะเพิ่มเรื่องของศรัท ธ, ธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัท ธ, ธาชนิดที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวอันนี้จะเป็นคุณสมบัติของโสโระบันที่จะเป็นสิ่งที่คุณฟ้าสายพูดต้องการนี่แหละในการที่จะไม่กลับมาเวียนเกิดอีกค่ะนะี้ประเด็นต้องทําความเข้าใจแยกเป็นประเด็นนิดนึนง แน่นอนการให้ทานใส่บาตรพระให้อ่านสุนักและสาศีลอันนี้เป็นเป็นคุณธรรมที่ดีและถามว่าคุณทำเนี่ยปลารบอะไรทำไมคุณถึงทําก็เพราะว่ามีศรัทธานั่นเอง <Okay. S 1> อันนี้คือค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าคนที่ปฏิบัติอย่างนี้ได้แนะนำก็ต้องมีศรัทธานนะศรัทธานในระดับหนึ่งพอเราทําไปทําไปเนี่ยเราสามารถจะคลายเครื่องร้อยรัตที่เราให้อยู่ในภพแต่เวลาที่คนเรากลับมาเกิดอีกเนี่ยเพราะามันมีเครื่องร้อยรัตอยู่ <Okay. S 1> เครื่องร้อยรัตตัวนี้ก็เรียกว่าสังโยชน์ เรื่องร้านที่ไม่มาเกิดอีกเนี่ยเช่นความไม่ลงใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าความที่มีทิฐิไม่ถูกต้องยังเห็นว่าตัวเราเป็นของเราแต่ถ้าเรามั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรประสงค์มีการรักษาศีลอยู่อย่างนี้เหมาะสมแล้วเนี่ยปฏิบัติไปตามทางนี้นะมันไอความผูกความรัดรึงที่จะไม่เรามีความก็จะว่านี่ตัวเราของเราเนี่ยมันจะค่อยๆ ค, ค, คลายไปความเห็นถูกต้องมันจะค่อยๆปรากฏเราก็จะสามารถที่จะไม่มาเวียนเกิดเวียนตายได้อีก ถ้าเปคุณคารทิชันเข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยอ่าที่บอกว่ามีเครื่องร้อยรัด น, นะคะม mm hmm. มันเกิดจากทั้งการกระทําด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคะดีฉันจะถามว่าใช่หรือไม่คือจากความคิดของเรามนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกคิดตลอดเวลานะคะคิดต่างๆนานาความคิดพวกนี้ใช่เครื่องร้อยรัดไหมคะถ้าเป็นความคิดชนิดที่เป็นไปนในทางการปฏิบัติเบียดเบียนอันนี้เป็นเครื่องร้อยรัดแน่ เพราะว่ามันจะเป็นอาหารของของตันหาอวิชาแต่ความคิดที่ไม่ดีนะทีนี้ถ้าเราคิดเรื่องดีๆคิดเรื่องดีๆเนี่ยมันยังดีกว่าคิดเรื่องไม่ดีตรงที่ว่าอย่างน้อยอากุศลธรรมมันยังไม่เพิ่มคิดเรื่องดีๆเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เป็นตันหาอภิชาเนี่ยมันค่อยๆจางคลายลงไปได้แต่ว่ามันมีเครื่องร้ายในความยังมีเรื่องร้ายรัด ใ, ในความคิดที่ดีนั้นไหมคําตอบคือมีแน่นอนแต่ถ้าเราคิดเรื่องที่ดีๆเช่นมีการให้ทานนักษาศีลคิดพิจารณาในเรื่องของความไม่สวยงามของร่างกาย คิดพิจารณาเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนที่เราก็ยังยึดพระพุทธเจ้าอยู่น ะ, ะแต่ว่าอย่างน้อยยังเป็นความยึดถือที่ทําให้เจ้าตัญหาวิชาเนี่ยมันลดลงจางลงไปได้ค่ะงั้นถ้าตอบคําถามของคุณฟ้าใสข้อนี้อย่างฟันธงก็คือว่าที่ทําอยู่เนี่ยก็โอเคในระดับหนึ่งละถูกไหมคะถูกแล้วถูกแล้วใช่ใช่แต่ถ้าอาการความเสี่ยงก็ต้องศึกษาและทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอืม คือถ้าเราจะพูดถึงคุณธรรมที่คุณฟ้าใสาพูดมาในคำถามของตัวเธอเองเนี่ยค่ะที่ยังไม่ได้ระบุในที่นี้ก็คือศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาไม่ใช่ศรัท ธ, ธาธรรมดาเป็นศรัท ธ, ธาที่อย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะถ้าตัวบทเลยนะถ้าเพิ่มจุดนี้เข้าไปนี่คือจะครบละค่ะศรัท ธ, ธาที่อย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช้คําว่าศรัท ธ, ธาที่อย่างลงมั่นจะถูกต้องที่สุดเลยใช่นะคะก็เพิ่มเข้าไป เรได้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยท่านค้าขออีกคําถาม เ, า เ, าเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะ บ, บอกว่าการปฏิบัติจนได้หูทิพตาทิพหรือรู้จิตใจผู้อื่นเป็นหนทางบรรลุนิพพานได้หรือไม่อย่างไรคะเรื่องของหูทิพตาทิพนี้เป็นปัญญาในธรรมวินัยนี้เรือวเป็น ค, ความรู้พิเศษเป็นปัญญาศรริกขาที่พระรูชาเคยตรัสไว้แต่คนที่จะทําให้ไปถึงนิพพานได้จุดที่ว่าจะละอาสวะเข้านิพพานได้เนี่ยก็คือฌานที่เรียกว่า อาสวัขยายานคือหมายถึงว่าคุณสามารถที่ทําอาสวะให้สิ้นได้อันนี้ก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งแต่การที่เราเห็นได้ยินเสียงที่เป็นทิปต่างๆเหล่านี้ตัวเนี้ยจะไม่ได้ทําให้เกิดความบรรลุนิพพานได้ไม่ได้น ะ, ะแต่แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราไปเห็นเราไปได้ยินอะไรแล้วแล้วเกิดความหน่ายใครายกำลังอย่าเช่นอย่างพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นบริษัทอ่ะก็มีจุดูปาปารยานในการที่จะไปเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายที่ไหนอะไรยังไง รู้อดีตมีหูทิฟฟ์แล้วก็ใช้ความสามารถตรงนี้มาในการเห็นสับปสัยว่าโอ้ทุกคนตายหมดโอมันไม่เที่ยงนะแกก็ตายทําดีก็ตายทําได้ดีแล้วออกไปเกิดสวรรค์ทําไม่ได้ดีเอาอไปเกิดนรกเห็นอย่างนี้มันจะมีความหน่าด <'Kay. S 1> คื อ, คอใช้ความรู้พิเศษตรงนี้ในการที่จะไม่เกิดการปล่อยวาง <'Kay. S 1> แล้วไอ้ตรงจุดที่จะปล่อยวางเข้าที่พานได้นี่คือเป็นความรู้อีกอันหนึ่งเป็นญาณอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าอสวรรคญาณ <'Kay. S 1> สิ่งที่ต้องพูดในที่นี้คือว่าแล้วถ้าไม่มีหูทิฟต์ตาทิฟต์เนี่ย ทำอีอาสวัคายายให้เกิดได้ไหมคําตอบคือได้เพราะว่าในกายของเราเองที่เราอยู่ตอนนี้เราไม่ต้องมีหูที่ไม่ต้องมีตาทิปเราก็ทําความรู้เพื่อที่จะทํานิพพานให้แจ้งได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเจ้าหูทิปตาทิปนี้ก่อนคแล้วคือมันเป็นความเดินช้าด้วยจะมาะว่าเป็นความเดินช้าในการที่เราจะไปอ้อมทางนั้นนะคะค่ะงั้นถ้าตอบก็คือว่าเ อ, อไม่จำเป็ น, นถ้าตอบฟันธงอกว่าไม่ได้ไ ม, ไ, มไม่จําเป็นต้องให้มีหูทิปตาทิป ค่ะอ่าไม่ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ทางค่ะอ่าแต่แต่มันเป็นทางเดียวกันไปได้อยู่แต่ว่าถ้าสมมติเกิดมีปรากฏหูทิพตาทิพขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะต้องทําต่อไปก็คือต้องมันยังมีต้องที่ทําต่อความหนายใช่ความคลายกําหนัดใช่ใช่มีที่ต้องทําต่ออยู่ค่ะคือบางคนเนี่ยก็เห็นเพื่อนหูทิพตาทิพก็อยากได้บ้างใช่ไหมคืออยากเห็นนะคะดิฉันเชื่อว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยออ ถ้ามันเป็นไปได้เราก็อยากรู้เหมือนกันนะอืถ้าไม่ใช่เป็นการรู้แบบเขาเรียกอะไรคะมันปรุงแต่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการหูทิศ ต, ตาทิย์จริงนะ่ะที่เห็นเนี่ยเป็นของจริงๆที่คนอื่นเขามองไม่เห็นคือคือไม่อาจจะเหมือนอย่างนี้นะคุณโยมถือว่าอยา่างเพื่อนเขาไปเที่ยวต่างประเทศมาเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังอย่างงี้ยอย่างเี้ฉันก็อยากไปเที่ยวบ้างนะอย่างเงี้ยมันคงจะเป็นลักษณะอย่างงี้ยนะแต่แต่อาจามาจะบอกให้ว่ามันเหมือนกัน <C> e <at> เมืกันไม่ว่าคุณจะไปประเทศนั้นหรือประเทศนี้มันจะมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือทุกอย่างมันจะไม่เที่ยงมันจะแบบไม่ใช่สาระอะไรที่สําคัญ <C> e <at> แต่ตรงนี้ก็คือเป็นความรู้อันหนึ่งเป็นยานอันหนึ่งเหมือนกันค่ะท่านคะ่ะคนธรรมดาทั่วไปเนะี่ยท่านเชื่อว่าพอใช้ชีวิตมากๆซึ่งเคยถามท่านไปแล้วนะ <c oughs> ว่าก็สังเกตว่าก็จะเบื่อโลกกันทั้งนั้นนะคะยิ่งถ้าสมมติพออายุมากร่างกายมันเสื่อมซุดความสุขที่เคย คิดว่ามันเป็นความสุขนะ่ยมันก็จืดจางเปลี่ยนแปลงไปบางคนถึงขนาดปลิดชีวิตไปเลยก็ยังมีตายก่อนตายจริงๆอันนี้ก็คือยังสับสนในเรื่องของนิโรธคือความดับกับเรื่องของมรคือทางที่ให้ถึงแต่ที่ฉันกําลังจะบอกว่าหาไม่ไม่ต้องถึงขั้ตัวตายอนั้นก็คือว่าถ้าคนเห็นแล้วเบื่อแล้วหนายนก็ถือว่าเริ่มเริมเข้าทางเหมือนกันให้รีบไปหาทางถูกมาก่ะถูกต้องนี้คือนิพพิทายานเกิดขึ้นกับเขาละความหนายนะคะแต่ว่ารายการหมดเวลาแล้วสิคะ ก็จะต้องมาสนทนากับท่านในวันพรุ่งน huh oh, okay ี้นะคะวันนี้กราบน้มัสการขอบพระคุณท่านเพบูนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนมันสการค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพระมหาเพบูนอภิปุโนนะคะจากวัดป่าดอนายโซอุดรธานีค่ะท่านก็มาให้ธรรมะกับพวกเราอย่างนี้เป็นประจําที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยพระหัสสบดีกับวันศุกร์จะเป็นการสนทนากับท่านสันสีนาคมวันนี้เป็นวันอาสาหบูชานะคะ เราอาจจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดของวันเพราะก็เชื่อว่าสื่ออื่นๆก็ให้ความรู้ในเรื่องพวกนั้นแล้วเอาไว้วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่หลายคนเริ่มต้นทำความดีอย่างยิ่งยวดกันขึ้นไปเดี๋ยวเราก็ไปกราบนมัส ก, การขอธรรมะท่านพิบูลกันต่อวันนี้รายการสันสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาคพงนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟ้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ผู้ทีวสวัสดีค่ะ